เจริญธรรมทุกคนธรรมวันนี้วันที่หนึ่งแล้วโอ้ยต้องตายด้วยอย่างตํา ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเค้า โตเล็กโตน้อยเหมือนกันน่ะในระดับลึกๆ พอใจเกิดมาด้วยอวิชาว่าโดยที่ไม่รู้ตัวอัตตามันเกิด ไม่มีอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่รู้สึกว่ามันผลักกระดุดเออ นะรูปิอัตตาเริ่มนอก มันจึงมีชั้นน่ะมีชั้นของ 3 กามชั้นชั้นอรูป 3 ชั้นชั้นกามชั้นรูปชั้นอรูปนะหรือที่เรา unconsciousness มันก็ๆอยู่อย่างนั้นตึกชั้น unconsciousness ปัญญา นอมันไม่มีธรรมะมันมีกิริยานะพืชเนี่ยมันมีกิริยามันมี การที่ทรงไว้เนี่ยเรียกว่าธรรมะนี้มี ภิจฉะไม่มียังไม่เป็นเวทนายังไม่มีอัตตานะยัง เริ่มมีเวทนามีความแรก เป็นธรรมชาติน่ะมันเป็นธรรมชาติสัญชาตญาณมัน คือคนที่จะมี อาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายยัง มโนที่กันอรูปเพราะ consciousness มันก็ล้างขั้นจิตขั้นจิตขั้นขั้นในอ่าๆเลยๆ ขั้นอากาสาว่าสัญญาอนาจริงๆเลยรู้ในขั้นขั้น วจีสังขะนะพูดต่อไปเดี๋ยวจะไปเข้า ธัมมายตนะทําเป็นจิตระดับอรูปร่วมเป็น นะสัญญีสัญยะความรู้สึกของ วิจัยวิจารณ์ที่อาตมาเคยเอาบอกอธิบาย ใครจะมีบารมีแค่ไหนก็แล้วแต่ปุนาติ <c oughs> ปหานกําจัดก็เรียกชําระก็ نعم, นะ 8 วันนี้นะที่เราเรียนกันนี่ เรารู้สึกตัวแล้วเรากําลังจัด ประมาณคือมตัญญุตตาจะให้มันเบากว่านี้ แต่ผู้ที่มีบารมีนี่อ่านจิตตัวหรือ ตัวก clicatt mal เกิดมาเป็นอัตโนมัติ sanyi นี่กัม โนตاي måน และยِเกิดเลย เรียก และposanchatjachajan ถ้ามันยิ่งมีมุทุถาดมันมีความเร็วเท่าไหร่ นี่คือคุณสมบัติของต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจเจตสิกเราฝึกแล้วเป็น เราจัดการเป็นเป็นช่างๆ แก่ในระดับอรูปอาตมาอธิบายเข้า จะปะตึ่งจิตว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นยังแต่ว่าโอ้โหรู้สึก เป็นหลวงพ่อดีเนาะซะเลยดีมั้ยหน้าดีเนาะ เริ่มแรก 3 ของใน มาอีกเป็นตัวที่ 5 ตัวที่ 6 ก็ กำลังของการพุ่งออกมี เรียกว่าความสําเร็จของจิตที่ได้ทุกคน ตามลําดับยิ่งเราเข้าใจแล้วโอ้เราเริ่มเริ่มปุ๊บยังไม่ ไม่มีอารัมภะไม่มีอารมณ์ไม่มีเกิดพวก ทีนี้อัตตามันไม่ตัวเองแล้วคือหรือ รูมแม้แต่ธาตุขององค์ฆาปยพติกึง ร่างกายของเรามีจิตอยู่เนี่ยมันทำงานร่วมกันมีจิตอยู่เนี่ยมันทํางานร่วมกันมันก็สังขารมัน ผลรูปนามมันจึงยังไม่เกิดอะไรยังไม่เกิด ถ้าเป็นนามมะกายเลยทีนี้ ในขณะที่ผู้ใดทำนิโรธได้เริ่มทำนิโรธเป็นทำนิโรธได้อะไรดับก่อนผู้ใดทํานิโรธ ทำงานในสังคปะ 7 เพราะผู้ที่สามารถทำงาน กรรมหรือพยาบาทเป็นต้นแล้วก็จัดการได้ พฤติของมันได้เป็นจาระเป็นวิจาระ การกลองการง่ายๆ กลไกของพลังงานทางจิตมันทํางาน ระดับแรกอัปปนาระดับ 2 ก็ดียิ่ง ตัญโตเนี่ยถือว่าธรรมวจีสังขารให้เป็น เป็นอายตนะสุดท้ายนะในพอเป็นวจี เพราะรอบอุปปัตติกัมเพราะฉะนั้นจะสันเหตก็ مگر کداب جد، لکه جا می‌روزد سرگان دو سام پای، آه، آه، آه، หทัยยะเกิดได้อย่างไรตรงไหน 7ๆให้ฟังฟัง ไม่ชัดเจนหรอกชัด <Yeah. S 1> 28 กายะสภาพของรูป 28 ครบหมดทั้ง เหตุแค่ consciousness แค่จิตสํานึกสามันควบคุมอย่างปัจจุบัน เขาก็ทําได้แต่พอผู้ที่ศึกษาสูงขึ้นระดับ 3 รูปายตนะ จักขุกกระทบรูปกายสังขารนะตาหูจมูกลิ้นกายมีคู่กระทบกระทบ 5 คู่ 5 คู่ตากระทบรูปหู กระทบสัมผัสตรงไหน 5 คู่เป็น 10ออ2 คือมนายตนะกับธัมมายตนะขันธ์อรูปลด สงบกิเลสในส่วนตากระทบ โลกเกิดจิตก็ทําได้เป็นชั้น ที่เกี่ยวตา ได้แค่จางคลายได้แค่บรรเทายังมีสิทธิจะ พอยิ่งเมื่อดับได้เวลาจะให้เกิดขึ้นไปเป็นอรหันต์ วจีสังขารดับก่อนพอจะเกิด เป็นกายสังขารธัมมายตนะกับธัมมายตนะก็เป็น มันจะออกมาเป็นวจีกรรมมันก็ เข้ารู้จักเข้ารู้จักออกเพราะการเข้ามโนสังขารเข วจีขอขออภัยไม่เรียกมโนสังขารแต่เรียกแต่จิตสังขารกายสังขารจิตสังขาร subconscious ก็ออกมาเป็นรูป 28 ตลอดแต่เป็น อนาคามีก็ใช้ก็เรียนรู้สัพพนเชียร์เรียนรู้ กิเลสที่จะไปสังขารสังเคราะห์แล้ว ตราบแต่อนาคามีขึ้นไปมีนิโรธแล้วจึง مطل, مطل, มุตตุมุตตุธาตุจิตก็ยิ่งจะชำนาญยิ่งขึ้นความรู้ มันปฏิบัติมันก็โอ้โหยิ่งดียิ่งเข้าใจใน เพราะช่างตีนี่มันเรียงถูกหมดแต่มันบอก จัดการไปปริยัติเก่งเก่งคนละหลายๆคนๆฟังมองงงๆไป <c oughs> ไม่อยากจะรู้ต่อหยักจนรู้ตกหยักจนๆ นวิญญาณัญจาจนเนวะสัญญา แล้วก็ฆ่าตัวกิเลสได้ก็อยู่เหนือ ล้างรูปสัญญาได้พ้นปฏิคสัญญาได้ผลปฏิฆะปฏิฆะสัญญาเข้าไปๆนานา เรามนสิกานเราทําใจในใจของเราสําเร็จ ไม่สนใจไม่ๆ คือเรียกว่าไม่ใส่ใจเข้าไปถึงไอ้ รู้แจ้งไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ไม่ ก็กําลังปฏิบัติอยู่เต็มองค์ธรรมคือองค์ นะไม่ใช่ติติติอะไรติฏฐะอุทุมกโรติเอาล่ะมันโอ้รับรองปรือ ไปตามนี้บารมีพวกเราบารมีอาตมาด้วยพวกคุณ เทพธัมมะพยายามอธิบายในผู้ ร่วงพ้นในรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆะสัญญาโดยเฉพาะอย่าง มันกําจัดได้ก่อนเลยเพราะเหลือๆ มันก็กําหนดๆนานัตตะนะๆนานะต่างๆอัตตาตัวสภาพโอราธิกอัตตา รูปเป็นนามรูปจักขายรูปมาเป็น อันสุดๆเลยนะชั้นๆ28 แล้วสัญญาก็กําหนดรูปรูปร่างไม่เป็นพอตัดหลับตา วิญญาณนี้ตกรวมไปทั้งนอกด้วยเพราะวิญญาณจะ ถึงไม 32 ไม่มีตาหูจมูกไมไม 32 มันไม เพราะในสัญญามันก็ดลสมมุติสร้างอะไรในระมิดๆ เห็นๆสัมผัสได้ปัจจติปัจจติได้สัมผัสมีเอง รู้กันหมดเลยกันหมดเลยมีนักสะกดจิตอยู่คนนึงเล่นกลเก่งสะกด นาฬิกาแต่ละคนตรงกันนะเท่านั้นนาฬิกา เสร็จเข้าเลยก็เลยเค้าก็เช็คได้แล้วทีนี้เค้าก็จะ เวลาเดียวกันหมดนะเดียวกันหมดนะมันไม่มีเวลาทั้ง ฟังเข้าใจมั้ยเพราะจริงๆของมันก็อยู่อย่างเดิมอ่ะแหละอยู่คําพูด ใช้จิตจิตถ้าอาตมาไปเล่นเป็นนักมายากรนี่จะสําคัญใครนะบอก เสลก็มาตัดชิงชัยโหยาเลยถ้าสําเร็จ มันก็เลยรู้หมดทุกอย่างทําได้ก็ตั้งโอ้โหใช่ นะเดะเถอะไม่ไม่เข้านี้นี่อะไรสร้างอันโน่นนี่มันของ ของคทาสคํา 2 คําในภาษาไทยแค่ตายเรื่องจะไปดู <c oughs> มันไม่ถึงมาสร้างข้างนอกนี่ยากกว่ามโนมยอัตตา เกินความจริงเป็นยากได้สําเร็จสมๆ อะไรมันจะเกิดก่อนก่อนเราเรา วิชชาก็ดีขึ้นเป็นปัจจัยแก่กันและ อัตตารวมแต่ข้างๆด้วยปริมาตร รูทีนตามที่มันเป็นภายนอกภายในๆซึ่งมีความต่างกันเรียก อย่าไปนึกถึงว่าเป็นผู้หญิงผู้ สูงสุดเป็นลักษณะภาวะสูงสุดเป็นอุตตมปุริสสะเป็นภาวะ การทํางานหรือการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ หัตติวิหติเนี่ยๆเพราะฉะนั้นใครยังไปๆ เพราะฉะนั้นก็ต่อจากนั้นเราก็รู้ ดิ้นอยู่สงบๆ บกข้าได้แล้วอาศัย คุณทำอะไรไม่ได้คุณไม่ทำอะไรไม่ได้อะไรเป็นเจ้าเรือนได้คุณอยู่ในกายทั้งหมดทําอะไรไม่ได้คุณอาศัย อุตตมะอาศัยเรายังไม่ดับยังไม่ดับเพราะๆใน แล้วก็ยังไม่แกวกลางในปุริสสใน ก็ทําไม่วางได้ๆกว้างเก่ง ในวิคารรูปแล้วค่อยออกมาเป็นกรรมเป็น เพราะฉะนั้นจึงผู้ปฏิบัติธรรมมินิโรธจึงดับสังขารนี้ ก่อนจิตก็คือองค์ประชุมของ ภายนิโรธผู้นิโรธแล้วจึงสามารถควบคุมวจีส่วน รู้เรื่องเรื่องไม่รู้เรื่องมีสภาวะอัตมาก็ก่อนเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดดิสก์เคาะมันไปเรื่อย ส่วนคนที่ไม่ค่อยรู้รหัสไม่รู้อะไรชํานาญเคาะไปก่อน <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> ลงอธิบายละเอียดละเอียดไปให้ งั้นอย่าง มันมีอยู่แล้วตีลังกาบนจักรยานได้นั่นแหละๆแต่ไม่ให้ กำหนดรู้กำหนดลักษณะว่างลักษณะมันไม่ นะอย่างดินน้ําไฟลมนี่มี 4 นะ นะสัมผัสด้วยภาษาธรรมดาไม่ได้ต้องญาณใน สังเคราะห์สังขารกันอ่าเป็นอากาศานัญจายตนะเชื่อม 6 6 ไฟลมเป็น 6 ครบ เรียกว่าธัมมายตนะอากาศเป็นธัมมายตนะส่วนวิญญาณก็เป็น อากาศรู้เรื่องอากาศรู้ความว่างก็พิจารณาความเป็น <c oughs> กำหนดรูปรูปนี้จึงเรียกว่า เป็นหลายๆสารบันเป็นหลายเป็นหลายเป็นหลายเป็น 2 เป็นเป็น เท็กซิโกเป็นคอนเทนต์ก็เป็นคอนเซ็ปต์อะไรอย่างนี้ ความกว้างภายนอกเท่านี้กรอบเท่านี้เราก็ช่วยกัน อนุโลมไปแล้วไปสังขารปรุงร่วมเราก็ปรุงกับเค้ามันแหลบมัน มีจบวนจิตๆตามประสิทธิภาพของความจริงคุณก็ เป็นนักรบหนึ่งชั้นหนึ่งขึ้นมาเรื่อย ร่วมแต่งร่วมด้วยเราก็ยังทําความบริสุทธิ์ได้ แก้วกล้าสู่บริษัทเจริญขึ้นเรื่อยๆเป็นธรรมกตึกที่เผย ในสัตตสูตรเนี่ยทรงวินัยก่อนก่อนแล้วถึงเรือนว่างหรือว่างเป็นเป็นมีคือเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นที่อาศัยของนามมันทําเรียกว่าเรือนอาศัยถ้า เป็นเรือนที่แข็งแรงขึ้นอาศัยไป คุณก็จะเจ้ากล้ามีเรือนว่างที่อาศัยทํางานกับโลกอุเบกขาวิตกอุเบกขาวิจารณ์อุเบกขาเร็วไว แต่มัน potential energy เป็นพลังซ้อนแซกอยู่เลยว่ามันมีปิติ potential energy เป็นพลังงานเป็นเป potential energy คือ ธกายวิญญาณวจีวิญญาณก็ออกมาเป็น ก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นปริสุทธาก็เก่งยิ่งขึ้นว่า ดีงามเป็นมตัญญุตาประมาณได้เก่งขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้น, แล้วก็จะรู้โทษของความประมาทจะรู้โทษ มันไม่อยากหน่อตัวตน จะรู้มานะรู้อัตติมานะรู้ว่าไอ้ตัวตนมานะอวดเพราะโอ้โห เมาไม่รู้เรื่องเลยคนไม่รู้ ถ้าระดับมถะนี่กล้าแข็งแรงเพราะความเมาใน ก็เหลืออรูปฌานคือมัถะนะมนาติมหานัตตะก็เป็นผู้ที่ไม่มี มันทุกตัวนี้ถ้าเรียกทรัฐะไม่เรียกกิรมทะกิรมทะมันความลําบากยุ่งยากเย็นแต่ คือคนอื่นรู้ได้ได้อย่างมันละเอียด มันยังไม่เป็นมันยังไม่ คร่าวๆนะไม่ละเอียดเท่า 2528 อัตติ 30 ปีโอ้ตอนปีอายุ 50, หน 30 50. ออหน 40 หนุ่มขึ้นอีกหนหน 40 แทน 40 ปีโอ้โหมัน 40 ตอนนี้ 30 เดี๋ยวดี 40 เดี๋ยว 50 เพราะงั้นถ้า 150 นี่ 60 70 เอ้าเอา อวิญญาณนันตาสรุปแล้วก็เราก็จะ วิญญาณน่ะธาตุจิตธาตุแต่สมบูรณ์นิด นัตถิอุปมาจะไปเปรียบไปเทียบกับไม่อะไรอะไรๆเนี่ยกินอะไร เขา what what? what อะไร แต่ก่อนนี่เรียนจะเรียนภาษาอังกฤษได้ก็ต้องมายมนึง ระลึกความจํา เบเรเรื่องมุกอะไรเรื่องจริงคนจริงละเดี๋ยวมันจะยืดยาจะหมดเวลา อภิปโมทัยังจิตตังในการทําจิตที่ท่านอธิบาย อย่าให้มันหมองให้มันให้มันเบิกบานร่าเริงอยู่อย่าให้มันเท่าที่เราอาศัยได้อย่าให้มันเฉาให้อย ต้องอาศัยหยาบกว่านี้หน่อยก็ให้หนักหน่อยก็ใส่ได้ ภาคจิตตัวสําคัญเพราะคุณฝึกสร้าง ลักษณะดำเนินไปทําที่ราชดำเนินมันก็ปริสันยุตตา วจีวิญญัติออกไปเป็นกายกรรมวจีกรรมก็คุณก็ควบ <im> เป็นการกระทําทุกอย่างนะจนกระทั่งถึงอาชีพถึงคํา รักษาได้ควบคุมได้ไม่เสียท่าเป็นคุณ ตัดสันติเราตัดเองนี่คืออมตะบุคคลจะ ลางกรรมให้เราไม่มีใครจะมา ได้รับสมบัติเองกรรมทายาทเป็นสมบัติของเรารับวิบากของเรา อาการ 32 อวัยวะๆเนี่ยกรรมจาก کاما กรรมสโกมีกรรมทายาทโกกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมปฏิสสรณํ จะไม่ตายมันก็เรื่องของเราจึงเรียกว่าผู้ ปุคคลานังนะปะปุคคลานังอื่นคําว่าอื่นเนี่ยปะสัตตานังคําว่าอื่นในปุคคระปุคคระอะปะสัตตานังปะปุคคลานัง น้อยหรือมากจัดหรือเอ่อไม่จัด ไม่น้อยไว้มากเกินน้อยไว้ไม่ขาดทุนไม่ บ่จำไม่เคยสอนเรื่องมากพอมีแต่น้อยพออัปปิจฉาสันตุฏฐิน้อยมักน้อย پای و چوب پای و رک مک مک که چوب نی نوی جیت مان جیت مان مان جیت جیت کن جیت แล้วก็ไปด้วยกันคนที่เลย ทำแม้มีสปฤติรักมีสปฤติจะทําเก่งด้วยๆที่อาตมาก็ นะแต่พอคุณฟังรู้เรื่องนี่แสดงว่ามีปัญญา <coughs> รู้ไม่ทันไม่ทันมันทำลายได้ต้องรู้ให้ทันก็จะ ต่อยังหำๆต่อยังอวดดีต่อยังไม่เข้าท่าแต่ เพราะมี 100 ท่าน 100 หรอก 80ๆรักษาได้นะได้ๆโอ้โห 90 90 ชนะก็จะประมาณตัวเพราะ อย่าให้มันเสียท่าเป็นอัตตาเค้าก็จะไม่ ถูกละเอียดมาชัดเจนมั้ยเพราะฉุดท้ายเราไม่พรากประโยชน์ พังก็ไม่ประมาทก็เกิดจริงตาม ก็ไม่มีจริงก็อย่าง 28 เนี่ยหรือรูป 24 นี่แหละแหละไล่เรียงตัว แล้วก็มาเป็น <hi> หรือต่อแล้วๆต้องนี้จังทุกวังสังสังต้องมั่นใจหรือเที่ยง อนิจจตาก็จะไม่มีแต่ต้องระวังอนิจจตาเป็นตัว จะจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้รู้ก็ไม่ใช่จะ สัญญาทํางานครบเวทนา 108 สัญญาเข้าเคลียร์อารมณ์เวทยิตตังเวทยิตตะ เป็นอันจะไต่เลยอายตนะแน่จน มันมาท่าไหนเรารู้ตัวไม่แบบ จนแข็งแรงมั่นคงคุณวิเศษ อนาคตจะให้ทําอะไรจบอนาคตก็ 0, 0, 0 อย่าง พลังงานตัวที่แท้งานๆจนเป็นเองจึงเรียกว่าเป็นเป็น ตถตาอย่างยถากรรมแล้วคนก็ไม่รู้พวกตักกะ สมบูรณ์แบบแล้วมันไม่ใช่อันนี้นี่ฟังสัญญากฎ ฝักทองมันเฒ่าน้อยนิดเดียวแต่ลูกมันเออลูกเคยถามพ่อตา โยนไปคนอื่นโยนไปไม่รู้โอ้ ตั้งแต่แรกชัดว่าโอ้อาการของจิตมีหัตถยรูปอย่างนี้โอ้โหเป็น จนชัดเจนว่าวิธีที่จะรู้ผีผี เพศเมียเพศแม่เพศที่ทําให้เกิด ธาตุแห่งความเกิดเรียกว่าอิทธิภาวะโอ้ คุณรู้เริ่มรู้นี่ยิ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่คุณจะโอ้โหนี่ มันเกิดธาตุรู้ของ first impression สัมผัสตัวแรกเลยแรกที่เลย แล้วก็จํามันเป็นเช่นนั้นเองชอบคุณทักษิณก็ใช้ตถตา نا แต่ใช้โก้ดีทําแต่โอ้โหเออ 2 3 ตัวความจริงที่สําเร็จบริบูรณ์เป็นเช่นนั้นจบ อาตมาถึงแยกอธิบายๆตถัตตาๆตถัตตายธากรรมรู้เห็น ยังไม่เข้าถึงปรมัตถนั่นเห็นปรมัตถ์แล้วๆเริ่ม เปกตัตตาตัว first impression เป็นตัวสัมผัสแรกที่ รอบครบทวนนะนี่คือสิ่งที่รู้ ภาษาที่เขามันสืบทอดกันมาพอรู้ได้ก็ ไม่มีใครสร้างๆรู้ว่า ตตทนะอย่างต่อเต่ามันก็มียึดต่อ อะไรตัวไหนมันมีสภาวะยังไงอาตมาเรียนมารู้มา นะขะนี่คือก่อร่างขะขะงะ พอทํางานนี่ก็เลยต้องพักลงไว้ก็มา ใครรู้จักขะใครก็ไปอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นเอาละเดี๋ยว มีวันนี้วันที่ 1 1 มกราคมถ้าอ่านอย่างบาลีถ้าอ่าน บาลีคือ 1 กรกฎาคมแล้วก็พยายามปฏิบัติให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในสภาวะ อย่าเปื้อนแต่บัญญัติแล้วเสร็จแล้วคุณจะหลงบัญญัติหลงภาษาเหมือนนักอภิธรรมเรียนแต่ภาษา อยากผู้ใดยอมรับได้แสดงว่าอัตตาตัวเองลดเป็น คือเราบังคับใจใครไม่ได้ใช่มั้ยเขาจะรับฟัง به ของเขาไม่ ฟังด้วยดีสุสุสั่งลัพธ์เตปัญญาเขาก็จะได้ปัญญาเขา <coughs> อ่าเอาล่ะวันนี้พวกเราที่มาฟังอยู่ เออแต่ว่าจริงบบบบบ่อยมาก 600 แต่ วนบ. น้อยใช่ บบ. มากกว่า 6-700 ตั้ง 600 อ่า <laughs> มันยังไม่เก่งอ่ะไม่ใช่อะไรก็ได้ต่อทีได้อ้าว มันก็อดก็ทนไปได้ๆ